วันนี้จะแสดง้เรื่องอายตนะคัฏฐะเพราะว่าอายตนะและพัฏฐะนี่น่ะเราต้องใช่ไปจําทุกคนนี้อยู่และเราต้องใช่อยู่ไปจํา ท, ทั้งที่เราไม่ต้องการจะใช้แต่มันก็จําเป็นมไปใช่พูดถึงเรื่องอายตนะ กายยานะคืชื่อทวานทั้งหกที่มีในตัวของเราเป็นชื่อมันชื่ออะไรเทวานทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจมีหกอย่างทางกางที่ตัวงเรามีแล้วแหละแต่หากเราไม่ได้สนใจ ดวงเรามีทุกคนใชยย่หรือทุกวันยืนเดินนั่งนอนใช่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เรื่องรู้เท่าเขาเมันก็เลยซับสนบนเปกันไม่ทราบว่าอะไรเป็นอาญาชนะอะไรเป็นขันแหนแดไม่ใช่อาญาชนะอาญาชนะแปลว่าบอกปูดหรือว่าเสี้ยงสืบต่อ สื่อสำคัญสนหรับติดต่อกันท่นจะเรียกอะไรจะชนะค้าว่าสื่อสำคัญในเื้นติดต่อนะั้นเช่นตารูปไม่มีในตาข้สงสมองแต่คนจ้องออกไปดูภายนอกรูปภายนอกเรียกว่ารูปมากระทบกับตาที่เขาประหลงางทอดแสงสะท้อน ในรูปมันอะมันก็คอนเข้ามาหาตาเะยังค่อยตายจะยังค่อยเห็นตาเนี่ยมันสงออกไปไปหารูปเรียกว่ามันสำคัญเกี่ยวข้องกันเลือติดต่อกันมันจะเรียกว่าตื่นสำคัญถ้าตาไม่มีรูปก็ไม่ปรากฏจิตตารูปนี้ก็มีประโยชน์นึกตานี้มันมีรูปก็ม่มีประโยชน์ ตาเรียกวาจตนาภายในรูปเรียกวัจตนาภายนอกมันเกี่ยวเนื่องสำคัญกันอยู่ตลอดเวลาเพราะลืนตาจงจะเห็นเลยไม่เห็นสิ่งไหนก็ต้องเห็นสิ่งกรปรากฏขึ้นมาแต่คนเรานั้นเข้าใจว่ารูปอยู่ที่ตาพวมันจริงไม่ใ่มันอยู่ภายนอก นอกจากตามเราไปอันยังเรียกว่าให้นะภายนอกแค่เรียกว่าใหา้ชนะนั้นแปลว่าบอ่อกผล่เครื่องเป็นบ่อให้ปวดรูปรูปจะไป็นปวดที่หูไม่ได้รูปจะเป็ฟ้ากดที่หัวก็ไม่ได้แต่ฟ้ากดที่กระโหลกที่เลีไปตายไม่ได้รูปฟ้ากดได้เฉพาะตาอย่างเดียว เรียกว่าอายยศนะเพราะเป็นใหญ่ในการดูก็เรียกไม่ใก่เป็นใหญ่ในการฟังหน้าที่ของมันเพียงจะว่าได้ดูเห็นไม่ใช่ไปฟังแทนอันจะเรียกว่าอายยศนะแต่ว่าบอกเกิดกด่ดถูกอายยศนะแปลว่าเป็นใหญ่กดถูกอาตยศนาแปลว่าของรู้พูดง่ายๆเรื่สื่อสําคัญกับรูปกดดัน อายจตนาเป็นเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในะอวัยวะตนบันวคนเราคนนั้นนิตาแค่อย่างเดียวขาดประโยชน์ไปเยอะจะรูสิ่ไห น, นสิ่งไห น, ไ, หนไม่ได้ตรนั้นแหละไอ้นคนอื่นดูแทนก็ไม่ได้ใช้ดูแทนก็ไม่ได้เลยตาจึงเป็นทรัพย์อันแปราะบางอันหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมกับตัวคนเราเกิดขึ้นมาเป็นมาได้กันมาเลยนาะข้าไม่ได้ถรานั้นสิ่งของภายนอกที่จะหามาได้โดยมากใช่มาเอาตาเนี่ยนะไปทายแตะหามาถ้ามีตาเรียกว่าเป็นคนวิการณ์จะแสดงอาทรัพย์สินฐานนอกก็ไม่สะดูก นีม่มาเป็นบอเกิดเป็นักนอกจากนั้นอีกเป็นบอเกิดของบุญของคุ้ผมสะาดตเห็นพระพุทธ ร, รูปปฏิมา ก, ก, กปาาารปวดภาษาทศภาษาลำส้เปล่าตาเห็นก่อนเห็นพรุทธเจ้าเขาจะทำประสงค์เมืม่อเห็นต่ไปเห็นครูบาอาจารย์ก็เพราะตาลำไคนเห็นก่อนจักรวัตรขาวข า, วาจักราบุชากาวายพระพุทธ ร, รูปปฏิมากร พราะตาเป็นคนเห็นก่อนนำไปตาทําประโยชน์แต่ร่วมสว๋งทำให้เกิดบุญเ ก, กิดกุศลเพระตาเราเห็นวัตถุสิดของอันใดซึ่งเป็นทยายาทาคนที่จะทำบุญหรือกาทานเราเห็นแล้วก็เกิดทวงเรื่องสายและเกิดเห็นแล้วก็อยากจะได้ทําบุญทําทานตาเป็นของมีคุณค่ามหาศาล ตาโลกคือทำบ้านทำเรื อ, อนปลูกฝังกติกรรมที่ก่อนอาศัยตาเป็นพื้นตาดูเห็นลลกทุกสิ่งทุกการเราต้องการอยากจะชมชวยสิ่งที่สดสวยงดงามให้เพลนให้เพื่อเพิ น, น, นจเจริญใจก็ได้ตาเป็นบอ่อเกิดของการคุกคามกาททำทานสาชสิ่งต้อาศัยตา อย่างอธิบายมาแล้วตาสามารถจะทำให้คนเป็นคนดีขึ้นโดยลาดับอย่างที่เขาเรียกว่าทัศนศึกษาเห็นตัว อ, อย่างอันดีงามแล้วก็ทำตามในวัดตานำให้คนดีทำให้คนดีได้พูดให้สิ่งที่มันดีเหลือที่จะขนานานบะ หาพูดสิ่งที่ตรงนั้นถามคือสิ่งที่ไม่ดีตาโดนใจร้ายดตาไปเห็นรูปสิ่งใดตาไปเห็นรูปผูรูปคนก็ดีไปเกลียดไปโกวดเกิดคนเครียดแค้งขึ้นมาก็เห็นเขาอะไรนี้มาทนอะไรไปเกลียดไปโกรธเขาเฉลยเก็ียดโกรกเกลียดใจเข้าไป แสงอกแสงใจภายในใจตานั้นทำให้กลัวในโลกได้ทันทีทั้นใดตาถ้าไปเห็นยูบสิ่งใดถ้าชอบรักพอใจติดมันได้สิ่งนั้นชอบนใได้สิ่งนั้นทําให้ใจมึนเมาหลงละระลวงโสดโสดชอบรักอย่างได้มาเป็นของตนติดใจใฝ่ฝันอยู่ตลอดกาลเวลาเรียกว่าที่เละเกิดจากตา ตาเป็นไผ่ใหญ่โตก็ถัดตานั้นถ้าหาก็ไปเห็นสิ่งในแล้วถ้าชอบเรากัจใจยติดบติดใจจะทำคุณงามคนดีก็ทำในยากยิ่งพูดพูดัขขาดเพรานาทาสมาธิติดใจไม่ลงเพราะติดใจปักือตามรูปคิดเลยเห็นอยู่นั่นแล้มาติดุนติด้ดายตลอด ก, กาลเวลา เป็ดไผ่ใหญ่ไผโตเหมือนกันตานั่ยทาให้เกิดนรกได้ทันทีทันใดตานั่ยถ้าหาว่าไปเห็นสิ่งใดถ้าหากับตนคชอบใจเสพวัตถุเข้าของเงือนทองเกิดความต้องกา ร, รนาักปาร์ติชย่องมองดีแต่คอยที่จะลักขโมยของเขาคนตาตอดเขาไมเคยไปลักขโมยของเอง คนตาดีมันย่องไปรับตัวกางคืนลึกๆมันก็ไปได้ตาใสตาตาจินเลยคือว่าเป็นภัยร้ายกาจอันหนึ่งเหมือนกันรวมความแล้วว่าตานี่ยน่ะสร้างความดีก็ดีเรื้อรังสร้างความทั่วกับทั่วเรือประมาณสามารถจะทําให้เกิดนรกเลือสวรรค์ขึ้นได้ทันทีทันใด พรางเนสอนนวมตาสัรวมหูสัานวมจมสัวมดีกายสวมใจแต่นี่ว่าสังรวมตาโดยเฉพาะคาว่าสังรวมในที่นี้น่นนี่ได้หมายว่าหลับตาให่ดูเฉยๆให้จมูกันตาดูกัน ไปให้รู้จักสังวรจำรวมดูจิ่งใดอย่าไปให้เกิดความคอาใจรักให้ติดตกกติดใจเช่นได้เห็นรูปผู้รูปคนเกิดความรักสวยสดงดงามอยากได้อันนี้เรียกว่าตาเป็นบาปพระได้เจ้าตันทให้สังวรจำรวมถึงเห็นแล้วน่นให้พิจารณาเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัณตา ลูกเกิดขึ้นมามันแตกสาร้างดับศูนย์ลูกโกิดลูกมันเกิด ข, ขึ้นมาแล้วจะต้องแก่เท่าชนิดทุกตนลูกทุกตนคือเป็นของปฏิกูนโล่โผท่ทางนั้นเรียนนาเห็นอุปภาพปฏิกูลนี้็นเ็ของในเสี้ยมเห็นเป็นทุกตัวหน้าตาตาเห็นใจจริงจะไม่ไปติดคนเาถ้าเห็นตลอดก็ฝังอย่างนี้ได้จะไม่ติดในลูก แค่ไม่คาดใจในรูปหรือไม่อยากได้รูปนะเราเป็นสองตนเพราะตนเองก็เป็นที่แล้วตัวของเราแต่ละคนนะ่ะเป็นรูปในรูปขึ้นมานะั่งเป็นของปฏิกูลนตุกภะอยู่ในตัวของเราตลอดกาลเวลาตัวของเราได้แก่เข้าชะลาสมุททุกโทมนทุกวันตัวพวกเรานะ่ะกองทุกข์ทั้งขอบนี้ช้ากว่าทุกข์ ก็จะต้องเจ็บหูเจ็บตาไม่หูอะไรกต้องได้ยินสิ่งต่างสิ่งที่ชอบก็ได้ยินสิ่งที่ไม่ชอบทำไมก็ได้ยินสิ่งที่ชอบก็ทําให้ใจและจิตพอใจชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบก็ทําให้เบื่อลําคาเกลียดโกรดอย่างหูยิ่งแล้วเน้นก็ต้องดมหอมก็ต้องดมไม่ดมไม่ได้จะไปพุทธจะโหมไว้ไม่ให้นี้ลงให้ใจก็ออกตาย อันารเก่งที่เราสูดเข้าไปน่ะมีทั้งเหม็นทั้งหอมทั้งเมื่อเหม็แล้วก็ไม่ชอบหอมก็พอใจขั้นอื่นเลยก็ทุกข์รีบก็เหมือนกันรับรสอาหารสิ่งที่เราขอบก็บพอใจไม่ชอบก็ไม่พอใจกายกเสมือนกันเราเล็กตัวนี่แหละจะต้องกระทบสิ่งเย็นร้อนอ่อนแข่ง นะ้าเราไม่ปอยใจแต่เรจะต้องกระทบก้อนน้าไม่ปลอยใจแต่เรจะต้องกระทบกายเพราะนีกายกายวันถนับรับความเย็นร้อนแข็งใครไม่ชอบแต่จาเป็นต้องได้กระทบจําเป็นก็ต้องได้สวยอันความที่เราไม่ชอบนั่นแนหะแต่มันได้กระทบแล้วได้สวยนะั่นคือมันเป็นทุกข์เนี่ย เ, เรื่องของทุกข์ของกายค น, น, เยนเราแต่ละคนเนี่ยว่ะได้ก้อนทุกแต่ละสมแต่ละก้อน ถ้อเมือเราเห็นก้อนของเราเป็นก้อนทุกข์เราก้อนอื่นมันก็ะทุกเหมือนกันเราจะมาทำให้ก้อนอื่นมันจะทุกเหมือนกันกับเราค้นเกิดขึ้นมาแล้วบวชหวงเราแต่ละคนได้ก้อนทุกข์แต่ละคนแล้วถ้ามีตัวมีเมียเกิดสมาหาได้สมาเป็นสองสมาสองก้อนก็สองก้อนทุกข์ก่อนลูกเกิดสมาสามก้อนล้านเกิสมาเจ็ดก้อนอะไรกไม่ต่างตกลงแล้วบ้านขนเราทั้งบ้านเนี่ยมีแต่กองทุกข์เป็นกองเป็นกอง นอนกองมาอยู่ใ่บ้านของเราพวพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่หลงระหัวหมเมาในลูกจะไม่ติดปวพันในลูกพิจารณานี่ยท่านจำรวงรับวางคือพิจารณาไม่ให้เห็นเป็นสิ่งที่นาเพื่อเพลินเจริญใจและติดรักใคร่พอใจนีกบอกจำรวมคนไม่จำลองคืปล่อยตามอารมณ์โทษเพลิน พ, พอใจยินดี ล้มบอยตา ม, าา ล, ม, มาาล้มเรียวปล่อยอันนี้แหการการปล่อยเนี่ยเป็นเหตุให้ยืดหยางเป็นเหตุในเดินทางไกลในนิสที่สินที่สุดนุษคนเรายังเงยนหวายตาเกิดเพามันเดินทางไกลไม่ได้ย่อนเข้ามาภายในส่วพิจารณาทั้งตัวของเรามีเพเฉพาะแตเเื่องตาอย่างเดียวมันก้วงขวางและเกน อันนี้คนเรานะั้นถ้ามีตาแล้วก็คอยใจว่าตาเนะี่ยเป็นไผ่เสยียงอธิบายได้าอธิบายมาแล้วถ้าพูดเข้าไปไม่พูดเข้าในๆเข้าไปก็นั่นอีตาไม่ใช่เป็นไผ่รูปก็ไม่ใช่เป็นไผ่อันนี้พู ด, ดอีกเนี่ยหนึ่งเพื่อตานะสําหรับดูเป็นของดีแล้วถ้ามีมตาก็ลรับบากไมได่ดูอะไรทั้งหมดพูดแล้วไว้ของดีแล้วสำหรับตาให้ไว้ให้ตาดู ถ้ามันมีรูได้จะดูเอาตาเขามีอะได้ถนัดเป็นคู่กันเนี่ยทำไมชาติเกิดต้วมาแต่งตัวมาตาํถนัดไว้ให้ดูลูกแล้วเราต้องหากไม่พอใจในเมื่อเห็นลูปรูกพอใจในเมื่อเห็นลูกเพราะเราต้องหากรูกก็มีอยตาละทราบท้องมันตาเมปม็นเดยวตาจะทราบมันมถนับไปใช้พรอตาได้กระทบกับรูก กปรากรดขึ้นมาจิตารูปปรากรดเห็นสมาจิตาเมื่อเห็นแล้วอรานี้ก็จําเกิดความรู้สึกขึ้นมาก็เห็นก็เกิดความรู้สึกว่าเราเห็นพอรู้สึกแล้วก็จําว่ารูปอันนั้นรูปอัปนี้เช่นเห็นรูปคนเห็นรูปตักเห็นรูปคนเพราว่าคนสวยคนงามน่ารักน่าชอบใจ ค่อยเห็นนะก็จำนะจํำว่ารูปคนว่าสวยว่าสดงดงามว่าชอบแบบชอบใจก็ได้เห็นรูปจำรูปสวยค่ะนี่รูเกลียดแล้วก็ไม่พอใจในการเห็นครั้งแรกนั้นพ่อยเห็นเกิดความรู้สึกขึ้นมาครั้งแรกนั้นเรียกว่าวิญญาณจําว่าคนเรียกว่าสัญญา จามวสือก็เรียกว่าพัญญาคือเราเคยได้ยินเขาอัดเสืเป็นอย่างไรนั้นแล้วจามได้ที่เคยเห็นมาแล้วอ่ะนั่นเป็นเสือการจามนั้นเรียกว่าพันญาอันนี้การเกิดความคอใจรัดใข่อยากได้รูปอันนั้นเรียกว่าตั้งขาเพื่อเราเห็นว่าสองสดสดน้ำอย่างได้ในของสดสดน้ำารียกว่าตั้งขาดนเ้วหินเสือกวัว มันจะกัดมันจะมากัดเรามันจะมาจะคุบเราอันนี้เรียกว่าสังขารมันปรุงมันแต่งขึ้นมาแค่ที่จริงนัเสือไม่ได้มากัดมาคุกตอจะคุบเราแค่ที่จริงนั้นคนเราน่ะลูปใครก็ตามเถอะลูกใครแต่ใครหมดมันจะสวยหรือไม่สวยมัอนกัลนิสัยหรือเอกลักษณมันก็เป็นเรื่องสภาพของบุญกรรมมันตกแต่งเราไหมไม่แช่มาดึงเราพระเจ้ารักไปเฉเรื่องให้เราไปเกี่ยวโดยตรง มันเป็นเรื่องของสังขารมันเป็นเรื่องของตำดวงแสงถ้ามเป็นกระท่าทนั้นอยู่ตามเดิม อ, อันนี้เราได้แต่งเนาะมาเป็นของสวยสดงดงามหรือว่าเกลียดโกรธไม่พอใจกลัวอะไรต่างๆอธิบายมันั้นอันนี้เรีกรยกว่าสังขารทีนี้ถ้าหากอยากได้เฉลยอดชยานอย่ากมาเป็นของตนหรือรว่ากลัวเกลียดเลีเเ้ยนสวยกลัวเกลียด ไม่อยากพบอยากเจบเรียกว่าตั้งหาสตั้งหานี่ต่างขานจังเป็นหีนีก่กกิเลสถ้าหาะะกว่าเย์เดยาด้หนในขนาดนั้นแล้วอยากไกด้สี้ไม่พอใจสดีมันกึ้งใจเลยค่ะนั่นแหละเรียกว่าตั้งขาเป็นตัวกิเลสถ้าเขียเก็งเขียนไม่เฉนะยาาเนั่ะเหนือมันถึเกิดกิเลสกันแล้้ไม่เขียนกันเนี่ยตัวกิดิเลสกัว่า จ้ำพัดรูปก็ไม่ใช่กิเลสตาก็ไม่ใช่กิเลสจ้ำพัดกระทบของเข้าเกิดความรู้สึกก็ไม่ใช่กิเลสถ้าหากว่าปรุงเขาแต่งขึ้นว่าสิ่งนั้นแต่ง น, นั้นสิ่งนี้แตงนี้อธิบายมาแล้วอันนั้นเริ่มกิเลสจะเกิดขึ้นมาแลนนี้นเกิดผมอยากได้หรือทะเยอทะายานได้โน้นอยากได้อย่างม า, าเป็นของส่วนของตัวหลือกลัวอยากวิ่งหนีอันนั้นอันนั้นเป็นกิเลสแค่ทีเดียวที่เรียก ว, ว่าตัณหา ที่เละจะไม่ได้เกิดง่ายๆหรอกข่้นต่างหากเราไปเข้าใจตามริงๆเรื่องริญญาณเรื่องจิตเรื่องริญญาณเรื่องลูกเรื่องตาดังอธิบายมานี้รูกก็ไม่ได้จิตจึงแต่กิเลสตาก็ไม่แต่กิเลสริญญาณควารู้สึกก็ไม่แต่กิเลสริญญาณควาจําก็ไม่แต่กิเลสยังไม่แต่แต่กิเลสทั้งขาเริ่มกิเลสขึ้นมา เกิดปัญหาปรตธานยึดมันเรานั่นแะที่เรียกแท้เดียดเห็นนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้พากันจํารวมให้ระวังจำรวมตาหูจมูกจมูกตาใจคือให้พิจารณาตามสายนี่แหละพิจารณาตามแนวนี่แหละถ้าเห็นเป็นจังหวะเป็นจังหวะจังหวะไปเห็นเป็นตอนเป็นตอนไปที่เลียกจะไม่เกิดมันเป็นตามสภาพเพรามันอยู่เช่นแล้วเรเป็นอยู่ตามสภาพนี้อย่าง มันจะ่อตายไปอันนี้คนกลัวในเรื่องมันแล่วไปเห็นเม้่ตอนนั้นที่มันทะเยอทะยานเนี่ยมันกลัว อ, อย่างกัวเสือไงกัวเสมอมันจะ ก, ก, การคขมันจะคุบแบบนี้แล้วไปเห็นเม้่ตอนนั้นตัวที่เห็นต้นนั้นลเลยไม่เห็นเสือบุกแตู่เหมาะจะหมดเพราะตนนิ๊กที่เห็นจะเห็นชอบลากอย่างไ้คนนั้นคนนี้เขาเป็นของเราไงเลยั้ต่งต้นจะเห็นติกีเห็นตั้งแต่ลงต้น ก็ไม่กริงไนมะ่ทันดิมสิเลศมันยังอยู่ไกลจากสิเลศกาเข้าใจอย่างนี้ระสบายแก้จิตแก้ใจง่ายสุดจะไม่ให้จิตโมโหลุกหลนจะมีปัญญาพิจารณาได้เนี่ยว่าปัญญาเป็นเครื่องชำระคือชำระอย่างนี้แหละคือจะจัดต่ อ, อไปเป็นตอนเป็นตอนออไปแล้วแต่คุมครัวกจะเข้าบป็อันเดียวกัน การไปคุมกระเพียงเดียวครับเพราะเห็นเขาก็เลยเข้ายาติกิเยดทั้งหมดในตัวไหญ่ตัวโตคนโบราณท่านสอนกันอาจารย์นั่นสอนในสมัยก่อนสอนในพระจารวมจะเคยเห็นในคนโบราณสมัยก่อนข้าที่หลือแข่งที่สุดเข้าบ้านเข้าช่องไปไหนเห็นผู้หญิงยิ่งเหลือเห็นผู้ชายก็ตามเด็กไม่ต้องมองหน้าเอาตระบัติกันหน้าเลย กันไว้ไม่หินทั้งรวมกันอย่างนะั้นไม่ไหวแย yeah, ่ีเดียวแล้วแบบนี้ลำคาญกลกลุ้มแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนเราจะระบัดกลางนายแลรวจะมองคนไม่ได้งงคนในร่างกายเป็นใครเป็นอันตรายไปทั้งหมดไม่ไหวถ้าพิจารณาอย่างว่านี้แล้วนั้นทั้งรวมอย่างว่านี้สบาย น, นอกจากจะป้องกันอันตรายจิตใจให้ เกิดความมื่มือมาแล้วงั้นแกเกิอดอุบายปัญญาลึกขึ้นเลยอย่าเดินนะครั้งจากกิเลสตอบได้อย่างนี้ที่สุดพราะตาเห็นได้เ<ม>ท่านี้แหล ะ, ะล้วจะวิ่งเข้าไปกวดนะไห น, นตามแนวอย่างอธิบายนี้เลยมื่อได้ยิ่งไปมือถูกกินจะวิ่งเข้าไปกวดตามแนวที่วันก็เลยแท้เกิอดอุบายปัญญาขึ้นมาเอ่ยอธิบายที่เรื่องนายธนา ทียบอธิบายมาที่เรียวว่าอายุนาจําไว้อายุธนาแปลว่าบ่อเกิดหรือว่าบ่อเกิดรูกบ่อเกิดเห็นสิโลตุศปะอย่างตาเห็นลูกอย่างเงี้ยเจ้าหูก็เห็นแทงกันไม่ได้มันเป็นบ่อเกิดลูกที่ตาเนี่ที่เรียกว่าอายุนาแปลว่าเป็นใหญ่คือมีหน้าที่รับผิดช้าคนเดียวเทงเดียวเห็นอย่างเดียวถ้าเห็นลูกเท่านั้นอ่ะไม่ได้รับผิดชอบทางอื่นเลยเรียกว่า เรียกว่าไอศา น, นะในพูด ง, ง่ายๆเลยว่าไอศานเป็นสื่อสัมพันธ์ให้เกี่ยวนอกเรื่งองทังเรื่องไอศด า, าภายนอกตาเป็นศาภายนหนถ้าภายในแล้ว ม, มีลูกหูก็ไม่มีลูกเจ้ามือก็ไม่มีสิ่งลื่นก็ไม่มีรถมันต้องเอาไว้จากภายนอกกายก็มันมีสัมผัสเ้ามานอันภายนอกมาสัมผัสเช่นเยื่อหน้าของแขกมาจากภายนอกมนไม่ใช่เกิดกิจการมนั่นฉันเรียกวาไอศะาภายนอก อ น, นีเรียก่าอายราสตภายในให้พากันจำเรื่องเลื่องอายุรนาส่วนที่มีอยู่ในตัวขงเราแล้วที่นาโตรเดินในทิวามันเนี่ยจึงจะได้คามรู้จึงจะได้ความฉลาดขึ้นมาในทางธรรมะแลวเราจะปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องไม่จึงจะเป็นต้นสำนักที่เดชจิตใจมันตนให้ผองใสสะอาดมีอธิบาย เ, เรื่องเืองอาาตเดียววันนี้